จะไปช่วยคลายจิตออกมานั่นคือตัวสติตัวสติมันสังเกตมันวิเคราะห์ถ้าเห็นแล้วเขาจะคลายเองไม่ใช่ว่าสติต้องไปค้นคว้านะสังเกตให้ทันให้รู้ทันเท่านั้นเองอ่ยเขาจะแยกงเขาเองดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอะไรมากนะักก็แต่ดูที่ตัวสติตัวเดียวพอดูได้ยังไงเราต้องสร้างสิสร้างให้ต่อเนื่องสิสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่อง ความรู้ตัวแล้วก็รู้ตัวอยู่ปัจจุบันต่อไป ห, หน้าก็รู้จิตถ้ามันอยู่ปัจจุบันแล้วจิตจะกอดตัวมันก็รู้เท่าทันความคิดจะผุดขึ้นมามันก็มีความรู้เท่าทันถ้าเราไปดูสติมันจะไปดูได้สติตงสร้างจิตเกิดเราต้องดับอาการของจิตหรือว่ า, าการคขาหน้าผุดขึ้นมาเราสังเกตดูถ้าจิตคือเคลื่อนเข้าไปรวมเราสังเกตรู้ทันปุ๊บเหมือนกับขโมยเข้าบ้านถ้าเจ้าของรู้ทันมันก็จะรีบเพนออกไปทันที เหมือนกับเราดึงถึงเชือกตึงๆเราเอาตะไคร์เข้าไปตัดมันจะดีดออกกันทันทีมันจะออกกันเป็นคนละส่วนเหมือนกับวงกลมเราตัดวงกลมแล้วมันก็ต่อเชื่อมกันไม่ได้ถ้าเราทําความเข้าใจได้แล้วมันจะเข้าเชื่อมกันไม่ได้ถ้าเราไม่ทําความเข้าใจมันก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมอีกก็วิ่งต่อไปได้อีกเพวลักษณะของเขาเป็นอย่างนั้นเขาอยู่ด้วยกันไม่รู้กี่พกกี่ชาติกี่ขับกี่กันเราดับความอยากให้ได้เสียก่อนอ่ะ เราจะเริญสติเข้าไปดับความอยากเข้าไปฝืนจิตของเราจิตอยากไปไม่ให้ไปจิตจะทําไม่ทําอดพูดแล้วก็อดคิดแล้วก็สังเกตดูความคิดให้ได้ทุกเริยาบทจะทานเข้าทานปลาหรือว่าซักเสื้อซักผ้าดูลู่ฝืนดูสิสติมันจะชา้าจะงุ่มจะง้างไปช่างมันใหม่ๆก็อาจจะเป็นหุนนห่นยนต์คล้ายๆกับหุ่นยนต์เพราะสติของเรายังไม่เต็มรอบยังไม่เป็นมหาสติจิตของเรายังเกิดต้องตามดับตามควบคุม เวลาเราดูข้างในก็ลืมข้างนอกเราจะเอาข้างนอกก็ลืมข้างในเราต้องวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ทําความเข้าใ จ, จเจริญสติกําลังสติให้มากใช่ก่อนรู้จักวิธีดับวิธีแก้วิธีละทีนี้เราก็เอาการงานของเรานนะั้เป็นตัวปฏิบัติทํางานไปด้วยทําความเข้าใจกับกจิดไปด้วยละความเกลียดคร้านไปด้วยละนิวรณ์ไปด้วยขณะที่ทํานั้นจิตเครียดไหมจิตได้พักผ่อนไหมเราทําไปเพื่ออะไรความรับผิดชอบของเรามีไหมอันไหนไม่ดีเราเรียบแก้ไขเสีย แก้ไขไม่ได้แล้วก็อุเบกขาเท่านั้นเองจุดมุ่งหมายของการฝึกหัดปฏิบัติต้องกำจัดกิเลสออกให้หมดจดอย่างเดียวครายขมหลงกำจัดกิเลสออกให้หมดจดอย่างเดียวเท่านั้นเองทีนี้นอกนั้นก็มีด้วยสติมีด้วยปัญญาเอาด้วยสติเอาด้วยปัญญาทำด้วยสติทําด้วยปัญญาจะมีมากมีน้อยไม่มีปัญหารับผิดชอบด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลด้วยพรหมหานอันนี้มันพูดสําหรับบุคคลที่ขยันมันเพียรนะ มันก็มีเรื่องเดียวที่จะต้องพูดที่เรามาบวชก็ต้องการเรื่องเดียวเนี่ยที่เขามาศึกษาก็ต้องการเรื่องเดียวคือความบริสุทธิ์ของมหลุดพ้นถ้าเราจะปฏิบัติตามอริยสัจสี่แล้วดําเนินตามมรรคที่มีองค์แปดครบแล้วมันจะเราต้องเห็นเช่นก่อนเราต้องเห็นเช่นก่อนเราต้องเข้าใจคําว่าสามอาทิทิให้เห็นเช่นก่อนความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดทางให้ได้เช่นก่อน มันถึงจะเดินตามทางในอริยมรรคองแปดได้เต็มส่วนได้ถูกต้องส่วนมากเราจะปฏิบัติตามโดยที่เรายังไม่เห็นเราปฏิบัติตามเพื่อชื่อแต่เราต้องเห็นการแยกการคลายการทำทำความเข้าใจแล้วก็การเกิดของจิตนั่นแหละหลักของอริยศาสตร์คือจิตส่งไปข้างนอกเป็นอย่างนี้นะภายนอกสมุทัยเป็นอย่างนี้นะการดับด้วยการข่มหรือด้วยการละกิเลสออกให้หมดจดแล้วก็ดับความเกิดแล้วก็วางจิตอีกอสมุทยัย นิโรธมักก็จะตามมาเองมันจะเป็นลูกโซ่ของเขาตลอดไปงั้นเอาเรื่องแต่ตื่นขึ้นมาปุ๊บความรู้ ต, ตัวตั้งมั่นหรือยังสติของเราต่อเนื่องได้แล้วหรือยังจะเอาเรืงแต่ปัญญาไปคิดไปพิจารณาอย่างเดียวมันจะไปรู้เท่าทันจิตได้อย่างไรเพราะจิตมันก็ยังปกปิดตัวเองเอาไว้อยู่ถึงจะปรุงแต่งชงออกไปถึงจะจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นการเกิดของเขาก็ยังมีอยู่เพราะเขายังเกิดอยู่ ก็ยังหลอกตัวเองอยู่เนื่องจาการกอดตัวของจิตอัตตามันเกิดแล้วแต่มันยังไม่ยุดอัตตาของจิตนะแต่อัตตาของสมมุติครือกายเนื้อนี่ก้อนนี้มเป็นอัตตาอยู่แล้วจิตหลอกจิตไหมเําว่าไม่เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมจิตเกิดยังวิ่งยังเกิดอยู่พอจิตมันยังมีอาการอยู่มันยังเกิดอยู่ยังส่งไปข้างนอกอยู่เพราะยังไม่เป็นกลางส่งไปข้างนอกการเกิดมันมีอยู่ เแ็นไม่ยึดจะพูดในตามความเป็นจริงคือยังเป็นกิเลธำอยู่ความคิดที่เกิดจากจิตที่ให้ับาประหารหลวงพอ่อหลวงพ่อยองยกตัวอย่างให้ละเอียดให้เข้าใจอรับเผื่อคนที่ไม่เข้าใจครับกิตปุ้งแต่งนั่นแหละให้เราดับครบเกิดของจิตความรุงแต่งของจิตสมมุติว่าเราจะไปโน่นไปนี่สมมุติว่าเราจะไม่สมมุติอะถ้าเราจะทานอาหารสักอย่างถ้ากิตเกิดค้อมอยากนี้เราดับความอยากได้ก่อนเราค่อยทานไม่ทานด้วยความอยาก จะไปโนวดไปนี่ทำํทำนวนทํานี่ก็ไม่จิตปรุงแต่งเข้าไปทําหน้าที่แทนเขาไปปรุงไปรับผิดชอบแทนให้เขารับรู้อยู่ภายในผิดถูกชอดียังไงสติปัญญาเขาไปแก้ไขทุกเรื่องรู้ 5, ออความคิดที่เกิดจากขันห้าของเรกตัวอย่างในฟังความคิดที่เกิดจากขันห้าอาการของความคิดที่มันผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดนั่นแหละมันเข้ามาได้อย่างไรมันก่อตัวได้อย่างไรตั้งสติคิดตั้งใจคิด กับไม่ตั้งใจคิดตั้งสติคิดตัวนี้ตัวที่เราจะไปใช้ถ้าตั้งใจคิดนั่นคือเกิดจากตัวใจโดยตรงไม่ตั้งใจคิดมันผุดขึ้นมาเฉยเฉยนะ่นคืออาการที่มันผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราต้องแยกให้ชัดเจนมันเป็นทิฏฐิเราต้องให้จิตของเรานิ่งสงบไว้ก่อนอันนั้นมันก็เป็นการละกิเลสหักด้ามผวนมันกันเดี๋ยวเราต้องให้จิตของเราในความเป็นกลางความนิ่งความเป็นกลางไว้ก่อน ทำได้หมดใหม่ๆก็ฝืนทดสอบมันได้หมดก็ทําด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาเขาไปทําหน้าที่แทนเอาไล่ดูตัวเราตั้งแต่เช้าขึ้นมาจิตของเรามันกอดตัวทักจิตครั้งเอาตรงนี้มันทันได้กอดรูปไม่ทันตั้งแต่มันกอดตัวรู้ว่าอยากดับรู้ว่าควบคุมไม่ได้เสีก่อนรู้ว่ตื่นขึ้นมาแต่ชเช้าแล้วเราอยากจะลุกเนี่ยความอยากที่จะลุกเนี่ยถือว่า แล้อยากจะไปอาบน้ำมันเป็นอาการท<า>้องกิดอยู่แต่มันยังไม่เกิดคมโรคของโกรดแล้ ว, ลวอันนั้นจะให้ดับไหมครับหยุดใ ห, ให้ตัวสติเป็นตัวสั่งก็ไม่ต้องลุกไม่ลุกทีนี้ตัวไหนจะเป็นตัวสั่งให้มันลุกนี่ตัวหลังนี่เราต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าอยากลุกเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวตีกอลก็หมายความว่าอยากเปลุกมันออันนี้เราต้องดับที่กิตให้เปลี่ยนเป็นความต้องการไปตีต้องการทองสติปัญญาภาคกายไปตี ตั้งนาฬิกาไว้แล้วตั้งแต่หัวขําด้วยสติว่าจะตื่นตีสี่จะไปตีกอลอหกโมงนาฬิกาดังตีสี่ลุกขึ้นกานหน้าที่ <c oughs> สติทํางานถูกต้องไหยครับแต่จิตยังนิ่งอยู่รับรู้อยู่นี่ถูกแต่ถ้าลุกขึ้นมาเท้านี้โดยไม่ได้วางแผนจะไปตีกอลนั่นหมายความว่ายีเรศมันมสั่งให้เท้านี้จะไม่ทํางานจะไปตีกอล์ฟเราต้องรู้ตัวใจของเราเป็นหลักให้ได้เสียก่อน แล้ตัวไหนเป็นตัวสั่งกายไปหรือบางทีตัวจิตมันสั่งกายไปแต่มันไม่มีความโรคขอ ง, ของปวดเข้าไปเจืปอปนก็มีดีร้าเข้าไปเจือปนมันก็ยังปกติอยู่แต่การเกิดของเขาก็ยังมีอยู่การสั่งงานของเขาก็ยังมีอยู่อันนั้นสั่งตามปกติเช่นรบกวนเวลาตีโมงเช้าจะทานข้าวเช้านี่ก็ว่าไปตามนั้นตามปกติแต่เราต้องให้คลายจิตของเราออกรับรู้อยู่ในกายของเราว่าเวลาน้นเวลานี้เราจะทําอะไร สติต้องไปตัวสั่งไปทาหน้าที่แทนหมดจิตต้องปกติสงบตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติบางทีสติของเรามันอาจจะไม่มีจิตของเราอาจจะสงบอยู่ก็มีเหมือนกับเรือที่ไม่มีคนขับมันก็ลอยเพ่งคว้างชนโน่นชนนี้ไปด้วยความหลงถ้ามีสติเข้าไปควบคุมเข้าไปดูแลให้มันตรงแล้วก็มันพัฒสอนจิตของเราให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็จะมีที่พึ่งคือความบริสุทธ ใหม่ๆต้องจเจริญสติเข้าเป็นที่พึ่งเป็นเพื่อนของจิตจะแปลงหน้าจิตก็จะพึ่งความบริสุทธิ์ความว่างความสะอาดความบริสุทธิ์เป็นเครื่องอยู่ต้องเห็นจากเน้น้อยทําความเข้าใจให้รละเอียดหมดทุกอย่างยังแค่เรื่องการหายใจเข้าออกทำไงเราถึงจะรู้ให้มันต่อเนื่องให้ได้นะทั้งวันเนี่ยขณะนั่งฟังอยู่เนี่ยฟังไปด้วยน้อมความรู้สึกรับรู้แล้วก็น้อมรู้จิตขเขาโลภปกติไหมสงบไหมมันยังดินนนด้นไปนู่นดิ้นไปนี่ไหมเดี๋ยวมันยังอยากจะถามมาโน่นถามไปนี่ไหม เราต้งดูตรงนี้ตัวไหนเป็นตัวตั้งคําถามตัวสมองหรือตัวสติหรือตัวจิตยังสงบยังนิ่งอยู่หรือมัผุขึ้นมาจากจิตมันจะผลดเด็กไปถามว่ารู้ถามา น, นี่เหนี้เกิดอย่างตัวจิตนะถ้าจิตยังนิ่งอยู่ส่วนสมองก็จะเป็นตัวสั่งตัวรับรู้แล้วก็ตัวตั้งคําถามมันจะแยกได้ชัดเจนตรงนี้แต่นั้นหมายถึงแม้จิตสั่งสมองด้วยครับอันนี้คนทั่วไป บางทีถ้าขึ้นของสมองมันเกิดจิตก็ไปสั่งขึ้นของสมองด้วยรวมไปด้วยกันคือสมองถ้าเป็นก้อนธาตุเฉยๆก็คงทํางานที่ตัวเองไม่ได้เราต้องสร้างความรู้สึกกระตุน้นกระตุ้นความรู้สึกให้เขาทํางานกระตุต้นความรู้สึกตัวความรู้สึกนี่แหละตัวหัดนึกหัดคิดแตใจก็ต้องนิ่งใจก็จะไม่ได้ไปสั่งขึ้นสมองเราสร้างความรู้สึกตัวใหม่ขึ้นมามากระตุน้นเป็นตัวสั่ง แต่ความเคยชินตัวใจมันจะเป็นตัวสั่งก่อนเหมือนกับเราคิดวิเคราะห์การวิเคราะห์งานเราต้องใช้สมองใช่ไหมใช้สมองคิดทีนี้ใจของเราเข้าไปร่วมโดยไม่รู้ตัวเราต้องให้รู้ว่าใจปกติอยู่กลางใจของเราอยู่กลางหัตใ์ของเรานั่นแหละนั้นมันละเอียดของพวกนี้ถ้าเราไม่สังเกตไม่วิเคราะห์ให้ต่อเนื่องให้ได้จริงๆเก็บ ร, ร, รายละเอียดให้ได้ทุกเรื่องอยู่มันยากอยู่นะอาศัยความเพียรตลอดนะครับ ต้องอาศัยความเพียรความความเข้าใจเออได้บ้างไม่ได้บ้างเ็ต้องพยายามบอกเวล า, า, าทำงานไทยนอกกมือทำเรือดูใจดูทางก็ดีแล้วที่รู้เนี่ยก็เริ่มใหม่เด้สิก <c oughs> <ส>็รู้แล้ววิธีแต่เราไม่ได้น้อมดูเราก็สร้างขึ้นมาเด้ ส, <c oughs> สิจะมาถามหลวงพ่อแล้มันกลายไปตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่แล้ว <c oughs> เรารู้ขนาดนั้นเราก็รู้ดูขนาดนั้นทันทีดิเรื่องพีจะวิ่งไปถามหลวงพ่อมันจะไปทันอะไร ต้องให้หลวงพ่อช่วยกระตุ้นนี่กิเลสมันเกิดอยู่ตลอดเวลาลองหาแต่หลวงพ่อมาช่วยดับไม่น้อยมาช่วยดับไมหน่อยมันจะไปดับอะไรเราก็ต้องรีบดับก่อนตัวไหนมันเกิดก่อนเราก็ดับตัวนั้นก่อนสิงานนี้อย่ารอเอาตัวโลกตัวโกรธตัวโกรธขึ้นเยอะเราจะคอยดับตัวโกรธมันเขาไม่เข้ามาแร้วตัวอื่นมันเกิดเรื่องงานเราจะจะนุ่มก็ไม่รู้ตัวไหนมันเกิดขนาดนี้เราก็ดับขณานี้หละมันละเอียดได้อยากว่าทําความเข้าใจกับมันขนาดนั้นเลย จนเกิดความเคยชินไม่ต้องไปเสียดายอะไรอาวันกับอารมณ์เล็ก ๆ, ๆน้อยๆไม่ต้องไปกลัวว่าจะเชีย่ยเปลี่ยนกิเลสคนโน้นเชียปเปลียนกิเลสคนนี้คือสร้างอานิสงส์ให้เกิดประโยชน์ถึงเดินบัญญาคัดชุงไม่ได้ก็สร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์เราก็พอได้รับประโยชน์นั้นด้วยคนอื่นก็พอได้รับประโยชน์นั้นด้วยดการละความเจ็ดข่านสร้างความขยันหมั่นเพียนคือเป็นการปฏิบัติเป็นนั่นก็ปฏิบัติอยู่ในตัวเต็มๆเลยแหละไม่ใช่วันนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอันนั้นเป็นแค่เพียงปีกย่อย บางทีก็ฝ<ห>ึกหัดปฏิบัติอย่างนั้นแหะเหมือนกับเออทำห้องช่วงห้องน้ำอย่างเงี้ยคนทำทำแทบตายบางทีไม่ได้ใช้เลยก็มีนะไอ้คนอื่นเข้ามานั่งสะดกสบายไทยนักไายเบาได้สบายแล้วก็ไปเสียบางทีไม่ล้างเลยก็มีเนี่ยถ้าไม่ทําเอาไว้ละคนอื่นก็จะได้มาใช้ได้สะดกสบายไหมล่ะอันนี้ถ้าไม่มีความเสียสละทําได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีพมมีอาหารก็ทําไม่ได้อีกทําที่พักที่อาศัยอย่างเงี้ยบางคนจะว่าจะทําไปทําไมลองดูที่ ผลฟ้าตตกเอาไปอยู่กลางแกล้งนี่มันไปไหมผักมันมันยังไม่อยา ก, อ, ยากออกไปเลยเพราอยู่ด้วยนาวงันขนาดทำให้แทบบางทีตัวเองก็แทบจะไม่มีที่อยู่เพราะเสียสละให้คนอื่นเขาอยู่หมดเราต้องยังสมมุติให้บริบูรณ์แต่ไม่ทำแบบไม่ทุกข์ไม่เป็นทุกข์ทำเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดอันีส้ส่งต่อส่วนรวมต่อมหาชนแล้วก็เราก็พอได้รับประโยชน์นั้นด้วย คนอื่นมาก็ฟอได้รับประโยชน์นั้นด้วยจะเอาเรื่องแต่ทำบ้านช่องก็ยังไม่ราบเรื่นมันจะได้ไหมล่ะทะปากท้องก็ยังหิวอยู่มันจะได้ไหมล่ะทำจะเอาเั้งแต่ปฏิบัติทำปากท้องก็ยังหิวอยู่ครอบครัวก็ยังลําบากอยู่มันก็ไม่ได้มันก็ต้องยังสมมติให้บริบูรณ์ไม่ถึงกับความเดือดร้อนเดี ถ, ถ้ามันบริบูรณ์แล้วจิตมันก็จะไม่ได้ด้นหล่นเดี๋ยวจะเอาสไตล์พวกอินเดีย ปวดที่ไหนก็ปล่อยมันที่นั่นไปที่ไหนก็เจอได้กับระเบิดนั่งอยู่ข้างทางรถผ่านไปเง ย, ยังยกมือโบอกให้เลยมันอุเบกขาเราอายแทนมันผปพ่อครับจุดมุ่งหมายของการที่หลวงพ่อส่งพวกเราไปอยู่ในปาน่าช้าเพื่อไปฝึกทักษะอะไรเพื่อจะได้บีที่พึ่งถ้าจิตเกิดคงกลัวสติก็จะเป็นที่พึ่งของจิจได้ชัดเจนนั้นไปพึ่งคนอื่นไม่ได้ เราต้องรู้จักเอ่อการดับกันควบคุมอย่างนี้นะถ้าเราดับได้ควบคุมจิตได้กําลังจิตความกล้าหาญความอาดหารก็จะเข้าไปแทนสติก็จะคมชัดจิตก็จะคมชัดอะไรเข้ามาสติปัญญาก็จะเห็นชัดเจนหมดทุกเรื่องต้องมีตัวกระตุ้นมีสิ่งกระตุ้นถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นมันก็ไปเรื่อยๆเฉยๆไม่มีข้อสอบบางทีมันหายกลัวด้วยความชินมันหายกลัวเป็นช่วครั้งก็ขาทําไงทั้งยให้หายกลัวได้ตลอด ทุกขริยาบทความกลัวมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนความอยากมันเกิดขึ้นที่ตรงนั้นแหละจิตมันก็เกิดตรงนั้นแหละจิตเกิดความกลัวความบันไว้ก็เกิดความภาวามันอยู่ตรงไหนเราก็พยายามรู้ตรงที่มันเกิดนั่นหลยมันกาะตัวตรงไหนเราก็พยายามดูตรงที่มันก่อนั่นหลยแต่เรารู้ไม่ทันตรงที่มันก่อรู้เมื่อมันเกิดแล้วแค่นั้นเองรู้ช่วงที่มันเกิดยังไม่ดับปล่อยให้มันเกิดอีกปรุงแต่งให้มันเข้าไปเสวยอีกนั่นเป็นนิวร ก็ไม่ใช่ในวันบางทีก็เกิอดอะไรก็จิตได้ตรงมันก็เป็นนิวรณ์ทาด้วยที่เกิอดอะไรก็จิตนิวรณ์บางทีก็นิวรณ์ก็มีตัวฟุง้งซ่ันตัวกังวลตัวความรังเลสงสัยต่างๆสารพัดอย่างแต่ตัวอะไรที่มันไปทำให้มันหายกลัวที่เราไปฝึกแล้วทําให้หายกลัวนี่มันอะไรก็สมถะนี่แหละก็ความกล้าหาญวิสัยปัญญานี่แหละสร้างความกล้าหาญให้จิตเป็นออเบขาไม่สมถะดับหยุดถ้าออเบขานี่คือ ต้องคลายจากแยกรูปเวียกนามตามความของพอใจละเห็นตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อในอนนั้นอารมณ์จริงๆนั้นถึงแก่อุเบกขาในวิปาาัสนาญาณแต่โดยการกดด้วยการขมเอาไว้นี่เพียงแค่สมถะชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับลาออกมาบวชนี่แล้วถ้าถึงก็ชั่วครั้งชั่วคราวพลวได้มาชิมก็เป็นไปได้ไหมครับหลวงพ่อที่อยู่จนชินกลัวจนหายกลัวแต่ปัญญาทาำหมเกิด จะไม่รู้จักเอาสติไปใช้มันจะเกิดได้ยังไง <ไป S 1> ต้องเอาสติ<ไ> ป, ปัญญาไปใช้เราฝึกสติเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาสติไปใช้หม่ๆเราจะสติไม่มีความรู้ตัวไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาจิตมันยังเกิดอยู่เราต้องดับความเกิดขณะที่เขากอดตัวเกิดเราก็หัดสังเกตหัดวิเคราะห์หัดวิเคราะห์ ว, ะว่าจิตกับความคิดเขาเคลื่อนกับรวมได้ไงถ้าสังเกตทันเขาจะแยกออกจากกันแล้วตามทำความเข้าใจการละกิเลสเป็นอย่งนี้นะการควบคุมจิตเป็นอย่างนี้นะการดับการทําความเข้าใจจนหมนั่นเพิ่มสอนจิตของตัวเอง มันเอาสติไปแชากับโลกกับสังคมก็สมมุติถ้าฝึกเฉยเฉไม่รู้จกเอาไปแช่มัก็แค่นั้นแหละคขอให้หลวงพ่อเล่าประสบการณ์โดยตรงของหลวงพ่อที่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อเป็นคนกลัวผีมากๆการเข้าไปในป่าช้าเนี่ยณจุดไหนถึงทําให้หลวงพ่อเลิกกลัวได้เลยมันตรงไหนคือจุดจิตมันว่างมาตั้งแต่เป็นคาราวาสตั้งแต่เป็นเด็ก แต่มากลัวเอาช่วงบวชที่ว่ามันกลัวคือช่วเป็นเด็กนี่จิตว่างจากกิเลสแต่ความว่างก็มีอยู่แต่มันก็ยังมีทิฐิคือความกล้าหาญอาหารของเขาอยู่พอจิตมาแยกจิตออกจากขันท่าดิจออกจากขันท่ามันเลยข า, ขาดที่พึ่งแต่มันขันท่ายังมาปรุงแต่งจิตอยู่แต่มันยังไม่ยึดมันก็ว่างอยู่มันยังไม่มีความโลภความโกรธความอยากแต่การเกิดของเขาก็มีอยู่พอเรามาแยกคลายออกจากขันท่า ละทิฏฐิมานะจากจิตจิตก็เลยขัดเพื่อนมันก็เลยว่าเ ว, น, วนี้มันกลัวตรงนี้มันไม่มีกําลังเห็นอะไรมันก็กลัวก็หวั่นไหวเพราะตั้งแต่ก่อนมันอาศัยขันห้าอาศัยเพื่อนเก่าอาศัยทิฏฐิเก่าๆอยู่ทีนี้เราก็เอาสติมาจิตเกิดข่มกลัวส่งไปเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมดับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันก็มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นน mm hmm. ล้วก็มองเห็นหลวงปู่หลวงตาว่าบวชนานๆกําลังจิตของท่านคงจะมากน mm ี hmm. ่แหละท่านก็ได้ทําให้เข้าพ่าชะ กลัวผีถึงขนาดไหนเราก็ต้องดูความกล้าคงกลัวมันอะไรมันจะมากกว่ากันก็คงกล้านี่ยแหละทั้งกล้าก้าก็กลัวเนี่ยแหละก็พากายเข้าประชาจะเริ่มต้นความกล้าได้ยังไทงทั้งทั้งที่มีความกลัวอยู่เนี่ยก็ตัดสินใจให้มันได้ขาดไปตายเป็นตายสิอันนี้ก็แสดงว่ากล้าแล้วเนาะตายเป็นตายกว่ามันก็ยังกลัวอยู่มันก็ต้องไปไปดูี่ว่ากลัวอะไรก็ฝึกผิดผิดถูกถู ขนาดอยู่ป่าช้ายังถือไฟฉายส่องดูเลยมันผีจะมานั่งดูก่อนที่จะเดินจงกรมเดินเหนื่อยเดินช้ามันจิตมันส่งไปข้างนอกกนต้องวิ่งเอาไม่ให้มันไปที่อื่นให้อยู่กับเท้าของเราก่อนที่จะเข้าโกดเข้าเต็นได้นี่ก็ฉายไฟกาดอีกทีนึงแล้วก็วิ่งพูดเข้าไปมันหลอ ก, กว่ากลัวว่าผีจะมาเดินขาอีกหนทั้งที่อยู่ในป่าช้าน่ะมันปรุงแต่งไปถึงขนาดนั้น อยู่ที่ไหนผีก็เข้าได้แล้วันก็ดับไปดับมาหยุดไปหยุดมาช่างกํบบาลังจิตจิตก็มีความอาดฐานมากขึ้นมากขึ้นศพตายก็ไปอยู่กับรุมศพตายใหม่ๆทันทีมันนั่งกลัวก็นอนอ่ะนอนหงายมันกลัวนอนพล่อมใส่กับหมดเลยในม่ใหม่ๆก็เพ่งสตินี่เพ่งจิตแล้ววางจิตไม่ออกไปรับรู้กายนี่ตึงเครียดไปหมดสมองก็ตึงควรจะมาปรับสภาพได้เออจิตมันเป็นาธาตุรู้ให้เขารับรู้ถ้าเขาเกิดแล้วก็ดับแล้วก็วางเขาแค่นั้นเอง ก็ใช้เวลาตรงนั้นนานเท่าไหร่ครับมันก็ใช้เวลาเป็นปีสองปีเก็จะนัดทุกเรื่องได้แล้วก็ปัญญารอบสมมติได้สี่ปีเนี่ยจิตถึงหยุดนิ่งได้ความกลัวหายไปภายในสองปีหรือว่าการเกิดของกิตก็มีอยู่เรามาดับการเกิดของกิตทําความว้างเกิยร์นิวรณิวนจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดากายจะแตแกกรดับก็เห็นเป็นธรรมดาหมดมันก็เห็นเป็นปกติธรรมดา นอนอยู่กับหลุมศพนอนอยู่ก้อกระดูกอยู่งั้นอยู่คนเดียวอยู่ในป่าชาเวลาเขาเอศพพาเผาก็ไปนั่งเกียรศพอยู่งั้นตอนเหม่นเน้นดับได้ไงหรอมันเหม็นเนี่ยมันเขาเขาก็อยู่ <c oughs> ทนเขาเขาก็อยู่ในเบ้าของเขาหน่นจนหลวงพ่องัดเบ้าขึ้นมาเลยนะคนเดียวนะ่ะว่าจะเอามาทีแรกหลวงพ่อว่าขอเถอะนะศพดวกอันนี้หลวงพ่อจะเอาโครงกระดูกเขาก็เลยเปลี่ยนใจไปเผาเสีย ก็ไม่ให้เหรอไม่ให้ลูกหลาน ย, ย, ยาติเขาแฟนเขาทีแรกก็ขอว่าจะเอาโครงกระดูกมาต้มมาร้อยอยู่สีปีอยู่กับรูมโฉบวันนั้นคือ ท, ท้ายเขาก็เผาแล้วโครงกระดูกที่ในห้องหลวงพ่อเอามาจากไหนอันนี้คุณหมอเอามาให้อันนี้เผยกว่าจิตของเรามันจะปฏิเสธหรือผักใสทุกอย่างนันหลยอันนี้มันเป็นส่วนน้อยอีกย่อย เราทดสอบเป็นการทดสอบจิตของตัวเองหมดนั่นเลยเพียงแค่คบอยากไม่ได้นิดเดียวนะ่ะถ้ามันเกิดเรากำจัดมันทันทีเลยผนะมเกิดของกิจไม่ปล่อยให้การเวลามันลากไปเลยได้แหละอันนี้สติก็ยังไม่ได้สร้างกิจก็ยังไม่รู้จักควบคุมปล่อยเลยไปตามเลยปล่อยจิตไปตามอารมณ์ปล่อยจิตไปตามความทะเยอทะยานอยากการระ ง, งับการดับไม่มีการแยกไม่มีการคลายไม่มีการตำทมความเข้ใจไม่มีสติปรรัญญาโลกีมันเต็มอัตตาศึก มันจะเดินได้ถึงจุดหมายปลายทางได้ยังไงเพียงแค่ควบคุมจิตได้ระดับหนึ่งก็ดีแล้วเท่านั้นเองหลังจากนั้นช่วงออกฝึกใหม่ๆว่าจะไม่ทําอะไรทั้งสิ้นว่าเป็นภาระพอมามันจุดนิ่งสงบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มองเห็นอั น, นิี้สงความสําคัญที่เราได้มาอาศัยตรงนี้เราก็ถึงได้สร้างประโยชน์ให้กับหมู่คณะให้กับสังคมด้วยอา น, นิสงส์บุญแต่ไม่ได้หาไม่ได้ทําด้วยความใจ ท, ทยานอยากที่เกิดจากกิเลส หลวงข้อครับการชนะความกลัวอย่างหนึง่งอย่างเช่นนี่ยมันจะช่วยให้เราไปชนะความกลัวอย่างอื่ น, นรหรือว่ามันก็ต้องไปชนะความกลัวทุกอย่างความกลัวความอยากความโลภความโกรธมันต้องไปกําจัดตรงนั้นหมดเออความกลัวนี่มันจะเห็นสติชัดเข้าไปดับควบคุมจิตได้ชัดเจนพอมันเกิดขึ้นจากตัวจิตชัดเจนอย่างสมมติว่าถ้าเป็นพระทุดดงเนี่ยไปชนะความกลัว เ, เรื่องผีแล้วแต่ว่าจะไปกลัวสัตว์ร้ายเหมือนกันหมดกลัวตาย ก็าตายไม่ใช่ว่าเราละความกลัวอย่างเดียวเราต้องละความโรคความกโกรธความทะเยอทะยานอยากละนิวรณ์ละมนทินต่างๆอีกให้หมดโจดตรงนี้อีกไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะความกลัวอย่างเดียวทุกเรื่องในชีวิตอันนี้เรื่องกายนะอันนี้คือเรื่องของจิตนะกิดเลสเกิดขึ้นที่กายก็เกี่ยงกายกิเลสเกิดขึ้นที่จิตก็เกี่ยนที่จิตจิตปรุงแต่งร่วมหรือไม่ไม่ใช่ว่านั่งแล้วนั่งคิดนั่งคิดไปหาที่ไหนก็ไม่รู้ นะมะผลนิพพานจะไปเจอได้ไงนางคิดจิตของเราปรุงแต่งชงออกไปเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมรูม้จักฝืนไม่ทําตามหนไ ม, ไมนักโทษ ก, กักรันเขาต้องผูกโซ่ใช่ไหมผูกโซ่ครั้งเดียวแต่เขาประพฤติปฏิบัติดีแล้วก็เขาก็คลายโซ่เขาก็นั่นไปเรื่อยเื่อยจนกว่าเป็นนักโทษปกติจนกว่าเป็นนักโทษชั้นดีเขาถึงจะปล่อยให้อิสระจิตของเราก็เหมือนกันนั่นแหละ แล้วมันฝึกเขามันทำความไว้ใจกับเขามันดับกิเลสที่จิตเกิดกิเลสเกิดคมโลกเกิดคมเยอะๆซะยันอยากแล้วก็มันดับมันละแล้วก็มันท่องสอนเขาตลอดเวลาเขาก็จะหยุดของเขาเองเขาก็จะนิ่งเขาเองในแช่ปุ๊บป๊อปไปดับมันให้มันสงบเลยมันไม่สงบหรอกพอกลัวนี่มันยังฝุดได้ง่ายนะถ้าโกรธนี่เราจะสุดย่งไม่ให้มันฝุดอ่ะล้วก็ดับให้เร็วให้ไวที่ตัวปัวก็ตาม ก็ตามโลกก็ตามเนี่ยดูมันได้เห็นได้ชัดง่ายกว่าไอ้ตัวใหญ่ๆมันชัดเจนไอ้ตัวหลงเนี่มันไม่เห็นนี่แหละต้องมันพพสังเกตมันวิเคราะห์มันตำรวจว่าการก่อตัวของความคิดเล็กๆน้อยเขาก่กอตัวยังไงเขาเกิดยังไงไอ้ตัวละเอียดเนี่ยขาดการสังเกตมันถึงหลงทหลวงพ่อพูดว่าหลงในความคิดกับหลงในขันห้างหลวงพ่อช่วยขยายความหลงในความคิดคือจิตบางทีก็คิดปรุงแต่งไปก็จิตก็ไปเสวยกับความคิดที่เขาปรุงแต่งขึ้น ไอ้ขันห้าอาการของขันห้าที่เป็นนามมาทําด้วยกันนี้เอ้คือส่วนที่เขาเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องการให้เขาเกิดนี่แหละมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่มันก่อตัวอย่างไรนี่กําลังความรู้สึกตัวของเราถ้ารู้ตัวปัจจุบันมันก็จะรู้ตรงนั้นทันทีแต่เพียงแค่เราสร้างความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันไม่ต่อเนื่องกันเท่านั้นเองก็เลยจะไปรู้ตัวนั้นมันก็จะไปรู้ได้อย่างไงไอ้ความรู้ตัวไม่ต่อเนื่องอยู่แล้วเราต้องสร้างให้ต่อเนื่องถึงปัญญางเราจะมากขึ้นขนาดไหนเราต้องสร้างให้ต่อเนื่องให้ได้เสียก่ หลงในความคิดนี่มันเป็นอนาคตเกินไปรวมเป็นตัวเดียวกันเขาเรียกว่าหลงแต่เราว่าเราไม่หลงแต่เขาไปรวมกันนั่นคือความหลงตรงนั้นอยู่ถ้าเขาแยกกันได้ความหลงตรงน้ำก็คลายเขาเรียกโมหะมันคลายนั่นแหละเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามทั้งที่เรารู้เราอาจจะว่าเราไม่หล ง, องบบนอกจากบุคคลที่แยกได้ถึงจะรู้ว่าตัวเองหลงเวลาเราบอกว่าเราไม่หลงเนี่ยเรานี่เราไหนหลวง เราหนึ่งเราสติตนตนเป็นที่พึ่งของต้นตนแรกคือตัวสติต้นที่สองคือตัวจิตเราส่วนมากจะเป็นตัวจิตคนทั่วไปเป็นตัวจิตเอากระจกมาส่องเราสติเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็พยายามสร้างให้ต่อเนื่องมองดูเหมือนกับใหญ่ยากถ้าเราทําความเพียนให้ต่อเนื่องมันจะง่ายไม่ต้องไปถามหาใครดูตัวเราแก้ไขตัวเราประพฤติตัวเรามันพร้อมสอนเราตรวจสอบเรานี่แหละไม่ต้องไปไหนรู้ไม่ทันดับ ดับแล้วก็วางเอาไมค์อยู่คนเดียวนั่นแหละไม่ต้องไปหาที่ไหนแหละสตินี้เป็นอาจารย์จะสอบได้สอบตกก็ตรงนี้แหละแต่ไม่ยอมเป็นอาจารย์ให้ตัวเองสักทีจะไปหาตั้งแต่ครูบาอาจารย์ภายนอกเราเรียบเรียงดูใหม่ว่าการก่อตัวของจิตการก่อตัวของความคิดมันเป็นยังไงเราสังเกตวิเคราะห์ให้ทันรู้ไหมันเราก็ดับไม่ต้องไปกลัวว่าจะเสียการเสียงานพะละหน้าที่การงานมันจะเสีย เราให้เต็มรอบตัวข้างในให้ได้ใช่ก่อนอันอื่นอยู่ใกล้ๆเรายังไปหามาได้เรายังทําขึ้นมาได้ไอ้โดยใจมันเกิดเกิดดับดับไอ้ความคิดมันเกิดเกิดดับดับทำไมเรารู้ไม่ทันมันทักทีเนี่ยเราต้องรู้ความหมายการเจริญสติเพื่ออะไรเรารู้จกักกับสติไปใช่ไหมสติของเรารู้เท่าทันหรือไม่ถ้ารู้เท่าทันเราตามทําความเข้าใจได้หรือไม่ เราจะไม่ได้มาฝึกสติอย่างนี้ตลอดหรอกเราฝึกสติอย่างนี้ทำความไว้ใจละกิเลสสติของเราเป็นมหาสติมหาปัญญาสติสมาธิคมว่างปรับระดับให้เสมอกันให้เสมอภาพกันเขาจะรักษาเราเองในวันข้างหน้าณจุดไหนเราถึงรู้ว่าสติเราเป็นมหาสติเราตามดูขันห้าได้ละเอียดทุกเรื่องดับกิเลสได้หมดจดทุกอย่างมือนอีกนานเลยไม่นานทำไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปกังวลกับการกับเวลาเอาทามเบือนให้ได้ก่อน 3ามปีค่อยว่ากันที่หลังเนี่ยวสมเดือนหมดลุงพ่อบอกให้อยู่ต่อยสามเลมันยังไม่จบก็ยืดไปเรื่อยๆสติยังเป็นจุลสติ3สามเดือนสาเดือนนี่อินฟินิตี้นทีละสามเดือนก็เหมือนกับคอคอดเก็ดวันแปดวันพอออกจากนั้นเราไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้เฉยๆกลับไปนั่นใหม่ย้อนสอตใหม่ย้อนหลังใหม่ลุงพ่อครับทุกคนเนี่ย จะมีความคิดบางอย่างที่มันทรมานเป็นพิเศษหนักหนาสาหัสเป็นพิเศษทั้งๆที่รู้ทั้งๆที่ทําใจทั้งๆที่รู้แล้วแต่ก็ก็ยังทําใจไม่ได้อยู่ดีนะเหมือนกับที่เขาเขียนในในกรอนหรือว่าในเพลงต่างๆนี้มันกันออกมาจากตัวใจเพราะใจมันยังเกิดยังยึดไม่เอาสติ ป, ปัญญาไปวิเคราะห์พิจารณาอันนี้เกิดมาจากตัวใจออกจากใจจริงๆใจมันเป็นทุกข์ มันก็ออกมาอย่างนั้นใจมีอย่างไงมันก็ออกมาอย่างนั้นที่จนหาทุกให้มันเจอแล้วก็รู้จักหาวิธีแก้ทุกแต่อันนี้ไม่รู้จักหาวิธีมีแต่จดสะสมสะสมทั้งข้างนอกด้วยทั้งข้างในด้วยแล้วก็ไปสร้างเพิ่มอีกด้วยวนมากจะสร้างเพิ่มกันเยอะสร้างภาระสร้างหนี้สร้างศีนสร้างอะไรสรารพัดอย่างสร้างครอบครัวแต่ถ้าคนเราเข้าใจแล้วก็ ทำหน้าที่รู้จักรับผิดชอบแบกรับหน้าที่โดยดุดสตีจนกว่าผู้จัดการเขาจะปล่อยโดนผู้คุมดีก็ดีใจโดนผู้คุมไม่ดีแล้วก็ดูลําบากอยงนั้นเนี่ยมีเจ้านายไม่ใช่ว่าอะไรไม่ใช่ว่าเป็นเจ้านายเขาต้อเป็นที่ข้านะ เหมือนกับนายหมอคนหนึ่งร้องห่มร้องให้มาหาอยู่ที่กรสินร้องห่มร้องให้ทําไมล่ะร้อ ง, องห่มร้องไห้จีบันะแม่บ้านผมนะ่ะมันไม่พอทักทีกันนทําไมล่ะเองหิ้วโชนี่แหละวะอะไรหิ้วโชก็แจกกับให้โชนี่แหละกันมันเป็นยังไงล่ะเงินทองพ่อแม่ของผมก็เยอะมีเท่าไหร่ผมก็ยกให้หมดเงินเดือนผมก็ยกให้มันยังอิ่มไม่พรอมยังบังคับให้ผมไปเรียนต่ออีกมันยังได้เงินเดือนเพิ่ม ไอ้แกนี้ผมทุกข์กันจะตายอยู่แล้วนึกเขาเงินดีนะ่ยเขารู้สรู้ตัวว่าเขาทุกขกันอย้่แล้วแล้วผมขอตอบยังไงครับก็ดีแล้วแหละที่รู้แต่ไม่รู้มันจะหนักกว่านี้อีกนะผมฉันติดกุกมาท่างหรายเลี้ยวกว่าฉันจะได้รับอิสรภาพจะให้ฉันกลับไปนี่ก็ยากซะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนั้นนะถ้าคนเราถ้ามีวิบากกรรม นั่นมันอยู่วิบากกรรมสมมติไม่คลายก็ไม่ได้มาถ้าคลายแล้วถึงได้มาถึงอยากจะมาถ้าวิบากกรรมไม่คลายก็ไม่ได้มาถ้าเราเข้าใจแล้วอยู่ในเพศภาวะเออยังไงใจของเราก็ถึงทาได้หมดอันนี้จะไปบังคับกันไม่ได้เลยว่าจะบังคับออกให้ได้นะให้ดูให้รู้นะให้ถึงจุดหมายนะอันนี้ไม่ได้เลยนอกจากความเพียรของบุคคลนั้นถึงพร้อมจะไปบังคับว่าต้องเร่งต้องทําความเพียรต้องเอายางงั้นเอายางงี้หลวงพ่อไม่ทำแล้ว นี่เหมือนส ม, มัยก่อนส ม, มัยก่อนมันเดินปัญญาไม่รอบสมมติเห็นหน้าใครอยากจับรัดไ้บังคับอย่างเดียวเขาก็ทุกเราไม่ได้ทางแกเราเราก็อยากจะบังคับให้เขาเหมือนกับไปรับความฉุกเหมือนกับเราเ<ส>ขาก็ทุกทุกวันนี้ก็เลยมาวิเคราขพิเณเออสมมติคนเราสร้างอานิสงส์สร้างบารมีมาไม่เหมือนกันบางคนเขาก็มีตัง้งแต่ความเยอทายานอยากสติก็ไม่ได้สร้างพร ม, มิหารก็ไม่มีฐานะทางสมมุติก็ลําบากเขาก็ยังสมมุติยังไม่เรียบร้อยยังไม่พร้อมมูล จะไปบังคับให้เขาปล่อยวางหมดเอาทาให้ได้หมดมันก็เป็นไปไม่ได้สติปัญญาเขาก็ยังเพียงแค่อ่านหนังสือเขาก็ยังไม่รู้เรื่องมันจะไปตีความหมายพราธรรมได้ยังไงเข้าถึงธรรมได้ยังไงคนเราจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ต้องเป็นบุคคลที่มีปัญญาที่เฉียบขาดเท่านั้นเองไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยเฉยมันจะบรรลุเลยไอ้นั่งอยู่เฉยเฉยหรือบําเพ็ญไปเฉยเฉยนี่ยมันก็อาจจะสงบได้เกิดปิติเกิดฉุกได้อยู่เพียงแค่นั้น จะให้จิตอยู่เหนือกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ต้องเกิดจากปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเท่านั้นเองนั่นไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจหมดนะแต่ก็ยังดีง ย, งยังยังได้สร้างอา น, นิสงส์สร้างกองบุญกองกุศลฝากเอาไว้ให้เป็นบุญเป็นอา น, นิสงส์สักวันหนึ่งก็อา น, นิสงส์ผลบุญที่เราสร้างเราทําก็จะช่วยเกื้อนหนุนในวันข้างหน้าจะเอาตั้งแต่ทำแต่ความลําบากทางสมมุติมันก็ยังมีอยู่มันก็ยากที่จะเข้าถึง มันก็ต้องให้เพียบพร้อมถึงไม่เยอะมากมายก็ไม่ให้ถึงกับลําบากถ้าบางคนบางท่านก็สมมุติก็มีมาพร้อมสติปัญญาก็มีมาพร้อมอันนี้สงผลบุญก็มีมาพร้อมมันก็ทําความเข้าใจมันก็ไปได้เร็วได้ไวบางคนก็พร้อมทั้งสมมติพร้อมทั้งวิมุตติบางคนก็พร้อมสมมุติแต่วิมุตติไม่พร้อมบางคนก็ได้วิมุตติทําความเข้าใจกับกิจได้แต่สมมุติก็ยังลําบากก็มีมันจะให้เหมือนกันหมดทุกคนเป็นไปไม่ได้หรอก อันนี้นก็เพียงแค่เราให้ฟังยังได้พาสร้างอานสิสงส์สร้างบุญสร้างกุศลในระดับของสมมุติให้คนที่ยังไม่ได้สร้างสะสมบุญได้มาสร้างอานิสงส์งร่วมกันบ้างก็ยังดียังเป็นเข้าพวกเข้าห่ออยู่ถ้าเราดับระวังที่ใจของเราใจแจ้งเราไม่ไปเกิดที่ไหนไปที่ไหนมันก็ไม่มีอะไรข้องแวะอยู่ที่ใจหรอกมันอยู่ได้ทุกสถานการณ์ ลหลวงพ่อตอบปัญหาอะไรพวกนี้หรอครับหลวงพ่อใช้กำลังศีลเยอะหรือเปล่าครับที่จะตอบปัญหาใช่หลวงพ่อก็ยังอยู่เฉยๆอยู่ใช้แรงกายเนยนะแ้วสมองหลวงพ่อไดก็รับรู้เฉยๆแต่ไม่ได้ปรุงได้แต่เหมือนสมองพวกเธอไม่เหมือนจิตพวกเธอมันวิ่ง